วันนี้ก็เป็นวันแปดค่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ดถ้าว่าทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นวันเดือนเจ็ดแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนวันพระหน้าเนี่ยวันพระหน้าเป็นวันพิสาขาบูชาวันเดือนเจ็ดเพนแต่ตามไม่จริงมันเป็นเดือนวันเดือนหกเพนเพราะปีนี้แปดสองหนอย่างที่ว่าน มันเลยเลื่อนไปข้างหน้าเขาเลยเป็นเขาก็เลยกำหนดวันเดือนเจ็ดเพนเป็นวันวิสาขาบูชาเพราะฉะนั้นวิสาขาบูชาของพวกเราก็คงอย่างทำอย่างทุกปีที่ผ่านมาแต่หลวงพ่อเองก็ยังไม่ได้ประสานกับฝ่ายเจ้าคณะอำเภอเจ้าของวัดของท่านท่านจะเอาอยัางไงก็คงจะเอาอยัางเก่าก็มัง พระท่นนายอำเภอก็นั่งอยู่ที่นี่ก็ได้ถามเมื่อกี้นี่ว่าคงจะทำอย่างเก่าคงจะประสานหน่วยราชการโรงเรียนแล้วก็ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันอปตคงจะพร้อมกันขึ้นไปทาประทักษิณรอบพระเจดีย์ภูก้อนก็ถือว่าเจดีย์ภูก้อนเป็นที่โดดเด่นของอำเภอนายุงเป็นพระเจดีย์ ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระหัสนสาวกด้วยและกัการก่อสร้างพระเจดีย์ก็เป็นสี่สง่างามถ้าจะว่าไปถ้าจะว่าเป็นของประเทศชาติระดับชาติก็ไม่น่าจะผิดไม่ต้องพูดถึงระดับจังหวัดอุดรเหมือนันนะไม่ต้องพูดถึงระดับอำเภอนายุงเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ใกล้ พระเจดีพระธาตุก็ควรจะให้ความเคารพสักการะบูชาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจในภูมิสถานหรือว่าจะฐานบ้านของพวกเราถ้าว่าเป็นสิ่งที่เคารพสักการะแล้วก็ควรจะยึดนี่แหละภูก้อนพระเจดีภูก้อนทําไมจึงให้ยึดอย่างนั้นถ้ายึดที่อื่นยึดภูผาป่าไม้ยึ ด, ย, ดยึดก้อนหิน ยึดอย่างอื่นอันนั้นไม่เป็นสิริไม่เป็นมงคลแต่ยึดพระเจดีที่หลวงพ่อกล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่เรายึดเราไปเคารพสักการะเพราะในนั้นมีพระาธาตุของพระพุทธเจ้ามีพระาธาตุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสถึงจะกราบไหว้สักการะบูชาอ ย, ย่างไงมีแต่โดดเด่นไปทางที่สูงส่งไม่ตกต่ําเพราะท่านาเป็นพระอรหันต์ คำว่าพระหันคำเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะย้อนเข้ามาหาตัวพวกเราพวกเราจะรู้ได้ว่าเออพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมนั้นตัดที่ไหนอยู่ที่ไหนตัดสรู้เรื่องอะไรแก้ไขตรงไหนแก้ไขทางร่างกายของท่านหรือแก้ไขทางจิตใจของท่านถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะซึ้งในพระธรรมคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้า ในเมื่อซึงแล้วจะไม่เป็นสถานที่เกาะติดหรือว่าไม่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวธรรมดามันเป็นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเพราะยึดเหนี่ยวเสร็จแล้วก็ใช้คำว่าเกาะติดแล้วก็เดินตามแนวแถวที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะชําระกิเลสพระพุทธเจ้าพาทำยังไงพาปฏิบัติยังไงพาชําระจิตใจอย่างไรท่านจึงบริสุทธิ์ ท่านจะเป็นพระอหารได้อย่างนั้นนไอันนี้ก็คือพวกเราเกาะติดอย่างนั้นไม่ใช่เกาะติดภูผาป่าไม้ไปเหตุที่ไหนก็ไหว้ปลกุปลกปลุกอย่างทุกวันนี่เหอนั่นเหอนนี่ไม่รู้เหอตัวเหอไหนตัวเหอไหนว่างั้นแต่เหาเห่านเขานี่นนไปเรื่อยผละนิสสุก็เลยไม่รู้จะเกาะติดที่ตรงไหนเอผลนิสสุก็เลยมาลงเอ่อยกันที่ความโลภก็คือเงินะลงจุดนั้น คนที่โปรโมทหรือว่าคนที่แนะนําชักจูงก็ไม่ลงที่อื่นเอาเงินกับคน ล, ลงเอาเงินกับคนเหอ่อเอาเงินกับคนที่อยากได้ผลใ่สุดก็มาลงเอ่ยกันที่เงินธนาบัตรอยากจะได้เงินพวกหนึ่งจกได้เงินแต่ล่อล่อบอกให้คนอื่นเหอแล้วก็ตัวเองก็หวังผลประโยชน์เรื่องเงินแบ่งการทะเลาะกันถึงอ่าเป็นอย่างนั้นไป อันนั้นไปฟังไปยึดถือภายนอกไม่เป็นมงคลถ้ายึดถือตามแถวแถวที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติแล้วเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ขึ้นไปกราบพระเจดีย์คราวนี้ก็คือเข้าไปยึดถือทางด้านจิตใจไปกราบสเคารพสักกะระพระเจดีย์พระพุทธเจ้าพระหันสาวกทีท่าน บัรจุไว้จากนั้นก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอิติปิโสพระกาวารหังสามมาสัมพุทธโธจากนั้นก็สวาขาโตัวพระกวตาธโรรมจานั้นก็สุปฏิปโนพระเขาวตัวสาวกสังโขลวดแล้วจะเป็นสาระของพวกเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเพราะนั้นวันวิสาขาบูชาหรือวันมาฆบูชาหรือวันอรัอสารหะบูชาอย่างนี้ เราก็ทําพระทักศิณรอบพระเจดีย์พระพุทธปฏิมาเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของเราเพื่อจิตใจของเราจะได้อ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจของเราจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมัน แ, กแตกต่างกว่ายึดเหนี่ยวทางอื่นนะยึดเหนี่ยวทางอื่นนะมีเงินคําทรัพย์สมบัติ มีพัฒนสถานที่ถูก อ, อกถูกใจอย่างนี้ถ้าอีกสักวันหนึ่งมันจะไม่ถูกใจแล้วไม่เมื่อไม่ถูกใจะเท่า น, นั้นนหะมันก็หาความสุขไม่ได้ความสุขที่แท้จริงนั้นพวกเราหาเถอะหาอย่างเงี้มันก็หาไม่เจอถ้าว่าไม่หาที่ใจถ้าหาที่ใจแล้วเจอที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านพาหานะมันอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจแล้วก็นั้นละ่ะเจอความสุขถ้าว่าเราไปยึดจุดนั้นยึดจุดนี้เข้ามาข่าวนี่ก็พอใจพออีกสักหน่อยนะึงไม่พอใจผลที่สุดก็เลยหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ความสุขความทุกข์จะเข้ามาแทนความทุกข์จะเข้ามาแทนที่ในความสุขนั้นแต่มายึดทางจิตใจแลมายึดตามแนวแถวพุท ธ, ธที่ท่านแนะนําสั่งสอน สมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะพิจารณาอย่างนี้ลนะปล่อยวางอย่างนี้นะพอเราทําตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําแล้วมีแต่ความสงบพร่มเพียนเป็นสุขในด้านจิตใจขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทําถูกทางนะี่เพราะฉะนั้นเรามายึดทางทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่ความสบายอกสบายใจมีแต่ความสุข ทนที่สุขณักที่สันติประลังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่คามจริงความสงบมันคืออะไรอันนี้พวกเรายังไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นแต่ตามไม่จริงความสงบของพระพุทธเจ้านิสันติสุขคือความสงบที่พระพุทธเจ้าพบคนพบที่โคลนต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วในวันตัดสรุรธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละ วันนั้นะเป็นวันที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเป็นวันที่น่าติดตามอย่างยิ่งคือ ท, ท่านประสบความสำเร็จแล้วแต่ส่วนอื่นอย่างอื่นที่ท่านทดลองวิทยาศาสตร์ของท่านเราอย่าไปสนใจอะไรมากบางคนสนใจกระทั่งพระพุทธเจ้าก้าวเดินอย่างนั้นโหมผ้าอย่างนี้บินรบาดอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้า พาให้ได้ศึกษาจุดให้ศึกษาจริงๆเพราพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ในวันเดือนหกเพน่์ตอนจวนสว่างนะ่ะวันเดือนหกเพนต์ท่านได้ตัดสู้ทําอะไรเรื่องอะไรมบรรลุเรื่องอะไ ร, ร, ร, ออะไรปล่อยวางเรื่องอะไรที่ท่านยกประเด็นที่ว่าสูงส่งสําเร็จแล้วจบแล้วไม่มีชาติอีกต่อไปแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว ที่พระพุทธองค์ประกาศจุดนั้นแหละน่าศึกษาน่าสนใจน่าศึกษาและกระจายตรองตามเหตุและผลเป็นไปได้ไหมถ้าเราไปคิดนึกเดาเอาเฉยๆมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนึกอเดาธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกไว้แล้วท่านบอกไว้ก่อนเลยว่าธรรมะของเราตถาคตเนี่ยไม่ใช่ของเรียนรู้ไม่ใช่ของนึกเดาไม่ใช่ของประมาณการ ไม่ใช่เรื่องประมาณการว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นไม่ใช่ไม่ถูกทั้งหมดผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอจะรู้ได้ไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติเบื้องต้นพอจะรู้ได้ต่อไปเมื่อพอรู้ได้พยายามปฏิบัติเข้าไปจะรู้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงที่สุดว่ารู้จริงเห็นจริงเมื่อเราติดตามเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเอาว่าผู้ปฏิบัติเบื้องต้นพอจะรู้ได้เห็นได้ไม่ใช่ประมาณการ หือคาดคะเนหรือเดาถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะพบทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ยยาได้อันนี้พระพุทธเจ้าพูดแล้วตัดไปแล้วตั้งแต่ทีแรกเพราะฉะนั้นพวกเราจะไป น, นึกเดาค า, า, า, า, า, าดคะ เ, เ น, นประมาณการอย่างนั้นแปลว่าผิดทั้งเพยเหมือนกับคนตาบอดประมาณการอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนีน้เพราะตัวเองไม่เห็นมันก็เลยประมาณการไม่ถูกสีเขียวคงจะเป็นอย่างนั้นสีดําคงจะเป็นอย่างนี้ ในใจของตาบอดเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่พอมันตาสว่างขึ้นมาคนละเรื่องกันเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราให้ลงมือ ป, ปฏิบัติพระพุทธเจ้าตัดรู้ในวันนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าเอาจริงจังนําเพ็ญนี่หปีทดลองผิดทดลองถูกใช่ไพวกเราได้ศึกษาเราจะรู้ได้ แต่ก็ไม่ควรจะยึดแนวแถวที่อย่างนั้นจนเกินไปพราะพุทธเจ้าให้ยึดอะไรทางวัายึดไปใ น, ในทางที่เกียจขี้ค้านกินแล้วนอนมีแต่โม่มีแต่คุยไม่จริงจังอันนั้นท่านจะว่ากา ม, มาสุขันธิกาประพฤติแบบย่อหย่อนไม่ถึงฝั่ง ไม่ถึงสถานที่เข้าไม่ถึงจุดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเจ้า ก, การมสุขันธิกาย่อหย่อนไม่จริงจังไม่สามารถที่จะบรรลุและไม่สามารถที่จะเห็นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าย่อนเกินไปเว่า ก, การมสุขันธิกาอตตกิลมัทฐาเนเเพ่งตึงจนเกินไปจนไม่ กินข้าวจนไม่ทำอะไรเลยจนเครียดจนจะเป็นบ้าอันนี้เป็นว่าอัตตากิลมัฏฐาอันนี้ก็มันผิดไปอีกรูปแบบหนึง่งไม่สามารถที่จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้เนี่ยมัชฌิ ม, มาปฏิปทานะคือสายกลางอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านหอกสายกลางเดิน ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่ถึงกับเครียดจนหน้าหงิกหน้างอนปฏิบัติธรรมเครียดจนหน้าหงิกหน้างอมันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องหย่อนยานกันเปรนไปเมีแต่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอันนั้นคืเรื่องกามกิริย์เข้ามาเหยียบย่าหัวใจของผู้ปฏิบัติก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันมัชชิ ม, มาปฏิปทานคําว่ามัชชิ ม, มาคํานี้นะ่ะ มัชชิมาคนนั้นเป็นยังไงมัชชิมาคนนี้เป็นยังไงถ้ามัชชิมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะอันนี้พวกเราให้สังเกตเอถ้าบางคนมัชชิมาง่ายๆทําทมาหาเลี้ยงชีพไม่ต้องหนักหนาอะไรพอทําทำหน่อยๆฐาบนบรรดาศักดิ์ความร่ํารวยก็เข้ามาหาเขาได้แต่บางคนะทำโอ้โหถ้าทําอย่างเขานะแปลว่ากิบหายเหลือ ง, งี้ยเถอะเอไปไม่ถึงไหน มีตะล่มจมจิบหายถ้าทำอย่างที่เขาทำแต่บางคนก็ทำเอาอย่างสุดๆกิจการของค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันถ้าจะว่าไปและถ้าว่าตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบุบญวาดสนาบาลาบี เก่าเก่าแก่เกื้อกูลอุดหนุนะมันเกี่ยวกับเนื่องบุญบรารมีอีกต่างหากบางทีบางคนก็ทํำง่ายๆก็ได้สําเร็จแต่บางคนก็โอ้โหทําลูกตากระเด็นอย่างพระจักกูบาลเนี่ยนะท่านบำเพ็ญจนลู ก, กตาของท่านแตกทั้งสองข้างท่านจึงได้สําเร็จอย่างพระโศณาเอางท่านเดินโยกรมฝ่าเท้าแตกอกแตกอีกต่างหากเอพื่อท่าน เพื่อจะหาทางพ้นท mm ุก hmm ข์ให้ได้ผลที่สุดนั่นบําเพ็ญจนขนาดนั้นบางองค์ก็มากกว่านั้นอันที่ฉันยกประเด็นมาเพียงไม่กี่องค์ถ้าจะยกมาทุกอง์ก็คงปัตไตรปิฎกหนึ่งสี่สิบห้าเล่มมนคงจะมากกว่านั้นไม่รู้ใครจะเอาเล่มไหนเพียงแต่ยกประเด็นขึ้นมาเป็นตัวอย่างขึ้นมาองค์สองสามองค์ก็น่าจะเพียงพอแต่จะยกมาทุกองค์ที่บําเพ็ญได้อย่างไรอย่างไรนั้นปัตไตรปิฎกเนี่ยคงจะ มาเล่นเถนเถิกเพราะว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์แต่ขนาดประวัติหลวงปู่มั่นองค์เดียวเนอที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนก็ยังเล่มมาเล่นทันเถิกเลยเล่มหนาเตอะแล้วงั้นไม่รู้กี่ร้อยหน้าทังหลายร้อยหน้าสองสามร้อยหน้าเข้ามาแล้วอันนี้ก็ยังไม่จบอีกต่างหากแตาว่าเป็นแนวแถวความคิดที่แต่ละองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรางี แต่และองค์พระไตรปิฎกจะเล่มหนาขนาดไหนอันนี้ท่านยกมาเพียงประเด็นแต่และองค์ว่าปฏิบัติอย่างไรยากง่ายองค์ไหนง่ายง่ายอย่างไรองค์ยากยากอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราพวกทุกท่านท่านเหล่านั้นมาเพียงแต่ว่านำมาเป็นกระจกเงามาเป็นตัวอย่างของพวกเราเราจะบําเพ็ญอย่างไรมากน้อยอย่างไรแค่ไหน พอได้ศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติเฮ้เราเนี่ยจิตใจของเราเป็นยังไงเอไม่ใช่ว่าบางองค์ว่าโอ้จิตใจของผมเนเลอหาความสงบไม่ได้มันร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายเอทําไมใจของผมไม่สงบใจของผมปุ่งฟุ้งซ่านเหลือเกินทําไมมันไม่สงบเอมันร้อนหนุในในจิตในใจมันทําไม ตัวเองไม่ไม่มองหาเหตุเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราอยู่ตามลําพังปล่อยใจเกินไปใช่ไหมปล่อยจิตปล่อยใจเกินไปใช่ไหมพูดคุยมากเกินไปใช่ไหมทานอาหารเกินไปลากพุงลากท้องออกใช่ไหมความภาคความเพียรของเราล่อยหลอกินแล้วนอนไม่ได้ภาวนาปฏิบัติอะไรใช่ไหม มันยังเป็นอย่างนั้นซิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมองหาเหตุถ้ามันมีเหตุอย่างนั้นมันก็ต้องไปอย่างนั้นถ้ามันพวกเราเข้่ยงงวดขวดขันพูดแต่ละน้อยไปคุกคีเพ่งอยู่ในใจเสมอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมรณนุสติอยู่ในใจก้าวเดินไปที่ไหนมีสติอยู่ตลอดเล่ำเวลาตลอดเวลา หรือบอกมากที่สุดคือพยายามให้มากที่สุดจิตใจไม่ปล่อยถ้าคิดถึงกา ร, รมเมื่อกิเลยก็คิดถึงเออมันออกไปทางนั้นก็คิดถึงอสุภะเข้ามาทันทีคิดถึงความตายเข้ามาทันทีคิดเห็นกระดูกตัวเองเข้ามาทันทีคิดเห็นอสุภะในในร่างกายอะไรคือความเกิดสวยงดงามเข้ามาทันทีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นนั่นนหะความสงบ จิตใจมันจะไม่ปูงฝุงออกไปข้างนอกถึงความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขจะเข้ามาแทนที่แต่เราปล่อยจิตปล่อยใจอย่างที่ว่านั่นเราจะมีแต่ว่าทําไมใจของเราร้อนใจของเราจึงไม่ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขใจของเราทําไมวุ่นวายใจของเราทําไมเป็นๆอย่างนี้สแสดงว่าเราเนีมองแต่ผลไม่ได้มองเหตุเหตุตัวเองทํำยังไงไม่ได้คิดไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข กายวาายใจของตนเองกายวาจาใจของตนเองทําไม่ถูกมันก็ต้องเดือดร้อนอย่างนั้นใจของเราทําตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนผมเองเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ใช้ได้ผลมาแล้วไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยแต่มาใช้กับเราทําไมจึงไม่ได้ผล แสดงว่าเราใช้ปฏิบัติไม่ถูกไม่ถูกทางเสแล้วปล่อยจิตปล่อยใจใจของเราจึงเดือดร้อนถ้าภาวะใจของเราเดือดร้อนอย่างนั้นเราเรียมองหาเหตุทันทีเราปล่อยใจเกินไปใช่ไหมถ้าเราปล่อยใจเกินไปผลก็ต้องออกมาอย่างนี้ถ้าเราดูเหตุให้ดีแล้วผลก็ต้องออกมาดีเพราะฉะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะ แต่พูดทางนี้ทางนั้นให้พวกพวกเรามองหาเหตุอย่าไปมองผลอย่างเดียวถ้ามองผลมันออกมาอย่างไงออกมาทางจิตใจร้อนจิตใจวุ่นวายจิตใจหาความสงบไม่ได้เราต้องมองหาเหตุเราปล่อยใจเกินไปใช่ไหมการเป็นอยู่ของเราไม่ได้เข้มงวดกวดขันใช่ไหมเราขี้เกียจภาวนาใช่ไหมอ่า เราโม้พูดชอบโม้ชอบคุยกับหมู่กับเพื่อนมากเกินไปใช่ไหมให้ถามตนเองถ้ามันถามตัวเองอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องพยายามตัดออกถึงพยายามทําให้ดีทําให้ตามแนวแถวที่พระพุทธเจา้าเพราะเรามาศึกษาธรรมะเราไม่ได้มาศึกษาเพื่อโม้เพล่คุยไม่ได้มาศึกษาเพื่อหาความสุขอย่างอื่นมาศึกษาเพื่อจะชําระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลส ให้อยู่ตามลําพังให้มากที่สุดเว้นเสียแต่หน้าที่การงานภายในวัดอันนั้นเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อจบแล้วคือจบเข้าคองทัพเหมือนกับทหารในเมื่อประเทศชาติต้องการก็ออกมาเพื่อปอกป้องในเมื่อจบแล้วเข้ากรมกองอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อวัดต้องการอยากจะให้ช่วยเราออกไปช่วยช่วยด้วยความเต็มที่เพราะเราส่วนหนึ่งของวัด เราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้เราต้องช่วยถ้าเราไม่ช่วยวัดก็แสดงว่าเราเป็นขยะของวัดเราเป็นให้ให้วัดแบกเราเราไม่ได้ช่วยวัดเพราะนั้นเราต้องส่วนหนึ่งทำหน้าที่เราก็ต้องทาเมื่อจบแล้วก็ เ, เข้าภาวนาต่อแต่บางคนบางท่านบอกว่าเอา้าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ขาดวักขาดตอนเหรอในขณะที่ไปทาด้วยเข้าหน่อย แต่เราปล่อยจิตปล่อยใจก็ยิ่งมากกว่านั้นทําไมเราไม่คิด เ, เราปล่อยจิตปล่อยใจมากกว่านั้นทําไมเราไม่คิดอันนี้มาทําการทํางานเพื่อชุมชนเพื่อวัตถาศาสานาเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพวกเราจะได้รับความสงบร่อนเย็นเป็นสุขในการเป็นอยู่ถ้าเราคิดเพื่อทำมันก็ไม่มันไม่ไม่ไม่เสียหายทำก็คือทอในเมื่อจบในการกระทําแล้วเอา เข้าประจำที่นีอันนี้ก็คือให้รู้จักใช้เหมือนกระยางสเต๊กของเราเนะี่ยเวลายืดก็รู้จักใช้ในการยืดใช้เวลาหยุดใช้ก็ให้โหดเข้ามาให้อยู่ในสภาพถ้าทําใจได้อย่างนั้นไปอยู่ณสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะรู้จักการสถานที่บุคคลการนี่ควรทำยังไงสถานนี่ควรทํายังไงบุคคลนี่ควรพูดยังไงอัถถัญยุตตาปริสันยุตตา ปกครองปรัชญาตาผู้จักบุคคลพระพุทธเจ้าสอนได้หมดอืเพราะนั้นถ้าเรารู้จักวางตัวแล้วไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่สบายอกสบายใจะแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักวางตัวน่ะไปอยู่ทน่ไนมัขวางขวางตัวเองออกจำขวางไปขวางหมู่ขวางเพื่นขวางครูบาอาจารย์ขวางมัดวาศาสนาขวางไปหมดถ้าทําไม่ถูกมันขวางอย่างนั้นถ้าทําถูกแล้วไม่ขวาง เป็นธรรมไปหมดจิตใจก็สงบร่มเย็นเป็นสุขพอรู้จักการวางตัวรู้จักการเทศะบุคคลอันรับพรนะทีนีอนุมโมนธนาให้พอ